เป็นเกบรรลุธรรมได้ไหมถามผมเป็นเกครับแบบว่าไม่แตวนะครับตั้งแต่วัยรุ่นจะไม่รู้สึกรู้สากับผู้หญิงต่อให้สวยหรือหุ่นดียั่วน้ำลายชายทั่วไปขนาดไหนต่างจากตอนเห็นผู้ชายมาทเท่ๆ เ, เห็นแล้วถึงจะฮอตคุณดังตรินเคยบอกมาหลายครั้งว่าที่ผิดปกติทางเพศ เพราะเคยประพฤติผิดทางเพศเพราะฉะนั้นก็จะไม่ถามถึงสาเหตุแต่อยากถามว่าการเป็นเกย์เนี่ยขัดขวางมรรคผลนิพพานไหมผมอยากหลุดพ้นไปก็เพราะทุกข์หนักเรื่องความรู้สึกทางเพศของตัวเองเนี่ยหละครับตอบถ้าไม่ได้มีจิตปิดเบี้ยวมาก ทุกคนก็มีสิทธิ์บรรลุมรรคผลหมดเละครับจิต ท, ที่บิดเบี้ยวมากจนหมดสิทธิ์ดัดได้ตรงถึงขั้นทรงฌานรู้นิพพานนั้นจะมีอยู่สองพวกคือหนึ่งมีอวัยวะของสองเพศในร่างเดียวกันโลกนี้มีไม่มากนักแต่ก็มีอยู่จริงทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2. ทํทำอนันตริยกรรม คือค่าพ่อค่าแม่ข่าพระอาหารหันต์เป็นพระที่ทำความแตกแยกกับหมู่สงฆ์และทำร้ายพระพุทธองค์ถึงขั้นห่อพระโลหิตที่สำคัญผมแน่ใจร้อยเปอร์เซนตเพราะเห็นตัวอย่างของจริงมาแล้วคือถ้าเกคนไหนดำรงตนเป็นพุทธแท้จะสามารถแก้ปัญหาความเบี่ยงเบนทางเพศได้อย่างแน่นอนหมายความว่า การบิดเบี้ยวเล็กๆอันเกิดจากความเบี่ยงเบนทางเพศจะหายไปโอกาสให้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นเกิดความเห็นอันเที่ยงตรงรับรู้ธรรมชาติตามจริงว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงแม้แต่จิตและความรู้สึกนึกคิดก็ดับไปเป็นขณะขณะอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนเลย การดำรงตนเป็นพุทธที่แท้ที่จะแก้ปัญหาความเบี่ยงเบนทางเพศได้มีอยู่สามระดับได้แก่ทานศีลภาวนา 1. ทานในที่นี้คือการช่วยเหลือให้คนที่รู้สึกแย่ๆกับตนเองได้มีมุมมองที่ดีขึ้นนับถือตนเองมากขึ้น มีความสุขกับชีวิตของตนเองมากขึ้นไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเช่นเขาอาจดูถูกตัวเองว่าโง่ก็ให้กําลังใจเขาว่าเด็กมันเกิดมาโง่กันทุกคนที่หายโง่ได้ก็เพราะเริ่มทําเรื่องฉลาดฉลาดเช่นไม่ดูถูกตัวเองและต่อสู้เพื่อให้รู้มากกว่าเมื่อวานหากคุณค่อยค่ยพูดหยอดค่อยๆปลอบ กระทั่งเขารู้สึกดีและมีกําลังใจผลสะท้อนกลับคือคุณจะรู้สึกดีขึ้นกับตนเองมากกว่าเคยทีละนิดยิ่งคุณรู้สึกดีกับตนเองเพราะช่วยเหลือผู้อื่นสําเร็จมากขึ้นเท่าไหร่ความรู้สึกได้ไม่ดีก็ย่อมลดน้อยถอยลงตามส่วนอาการลดน้อยถอยลงของความรู้สึกไม่ดีกับตนเองนั่นแหละ แสดงให้เห็นว่าวิบากมืดถูกเจอจางด้วยบุญใหม่ๆวันหนึ่งคุณจะพบว่าความเห็นค่าของตนเองจะทำให้ความบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนเบาบางและกระทั่งเหมือนหายไปจากใจแม้ไม่หายสนิทก็ไม่ติดใจกังวลหรือต้องทุกข์มากมายนักเปิดโอกาสให้บำเพ็ญบุญเพื่อความเป็นพุทธแท้ในขั้นต่อๆไปได้คล่องขึ้น สศีลในที่นี้ต้องพูดในระดับศีล8หากคุณยอมงดเว้นการเสพกามตลอดจนไม่เสพเครื่องกระตุ้นกามเช่นอาหารหลังเที่ยงที่นอนนุ่มสบายและการดูหนังฟังเพลงอันย้อมใจให้เกิดความโลภความโกรธความหลงก็จะเป็นการทวนกระแสไม่ปล่อยตนให้ถูกดึงดูดอยู่ใต้อำนาจกรรม ซึ่งก็เท่ากับเจือจางวิบากทางเพศให้เบาบางลงด้วยการถือเสียงแปดที่จะแก้การเบี่ยงเบนทางเพศนั้นไม่จำเป็นต้องถึงขนาดงดเว้นให้ได้ทุกวันเอาแค่เดือนละสี่หนับเอาวันพระเป็นหลักก็ได้นานไปความตั้งใจงดเว้นจะกลายเป็นวินัยกลายเป็นแบบทดสอบความอดทน และกลายเป็นเครื่องเสริมสร้างความแข็งแรงก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงขึ้นอย่างมากเมื่อห่างเครื่องกระตุ้นราคะเอาชนะการครอบงำของราคะได้เดือนละสีวันพอครบปีคุณจะรู้สึกดีขึ้นความหมกมุ่นทางเพศลดลงซึ่งก็จะมีผลให้ความเบี่ยงเบนทางเพศลดลงไปด้วย ตามสัดส่วนของความมั่นคงทางใจที่คุณสามารถรักษาวินัยซื่อสัตย์กับตนเองได้ 3. ภาวนาการภาวนาหมายถึงการอบรมให้สงบจากกิเลสปลอดโปร่งจากราคะและโทสะหยับหยาบตลอดจนเอาชนะความหลงผิด เมื่อจิตตื่นรู้ขึ้นเห็นความจริงเช่นเห็นกายเป็นของไม่สะอาดน่ารังเกียจไม่มองด้วยความเป็นเครื่องล่อให้อยากเสพกามแต่มองเห็นทุกซอกมุมแห่งความจริงของกายว่ามีแต่คราบคลายเหงื่อสกรปรกแฝงอยู่ทุกขุมขนมีแต่การสะสมขี้ฟันอยู่ทุกวินาทีมีแต่การไหลเข้าไหลออกตามทวารหนักทวารเบาอะไรดีๆเข้าทางปาก เดียวๆออกมาเป็นของเสียทางก้นไม่เว้นแต่ละวันแต่ละคืนการมีสติระลึกรู้อยู่เรื่อยๆเล็งกายไปตรงไหนก็เจอแต่หนอเหม็นแนวเหม็นจะทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลงเห็นตามจริงมากขึ้นเรื่อยๆว่าทั้งกายเรากายเขาเป็นของเน่าเปื่อยไม่ใช่สิ่งน่ารักน่าใคร จิตของคุณจะอยู่เหนือความรู้สึกทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันเมื่อกายไม่อาจกระตุ้นความมาดหมายทางเพศได้ความเบี่ยงเบนทางเพศก็ย่อมทำอะไรจิตคุณไม่ได้เช่นกันและในที่สุดเมื่อพินิจเห็นกระทั่งจิตของคุณก็ต้องเสื่อมไปมีคิดดีมีคิดชั่วมีครุ่นคิดทางเพศ มีเลอะครุ่นคิดหนักอกคุณจะวางได้กระทั่งความกังวลว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นเกเพราะเห็นอย่างแท้จริงว่าเป็นเก์หรือไม่เป็นเก์มันเริ่มขึ้นที่จิตเริ่มขึ้นที่คิดเพียงคุณไม่มองว่าจิตและความคิดเป็นตัวคุณแต่เห็นเป็นสภาวะที่เกิดแล้วต้องดับตลอดวันตลอดคืนความเบียเบ่ยงเบนทางเพศย่อมหายไปณนะที่ที่คุณรู้แจ้งนั้น เมื่อสั่งสมบารมีทางทานศีลและภาวนามาถึงระดับหนึ่งกายใจคุณจะปฏิวัติเหมือนเป็นคนใหม่เป็นตัวตนใหม่เริ่มจากจิตที่สว่างอบอุ่นมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งหายขาดจากรสนิยมผิดธรรมชาติในตนนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจากคนที่เขาเอาจริงเอาจังในเส้นทางสายสว่างของพุทธแท้มาแล้วครับ